บางคนเรียนธรรมะนะเรียนง่ายบางคนก็เรียนยากพวกเรียนยากนี่เท่าที่สังเกตนะมีสองพวกพวกหนึ่งติดสมาธิแบบเพ่งประเภททําความสงบอย่างเดียวเลยฝึกมากี่สิบปียิงพลังฝึกปรือมากหลายสิปีในะยิ่งแก้ยากบางคนแก้ไม่ได้เลยตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะมีคุณยายคนหนึ่งเขาเรียกคุณยายอายุแปดสิบเจ็ด ประมาณนั้นนะจำตัวเลขชักจะไม่แม่นลนะแต่ว่า8ปดสิบมากๆบอกว่าเมื่อก่อนไม่รู้สิทธิ์หลวงปู่เทศแต่ว่าฝึกสมาธิมานานหลายสิบปีแล้วติดสงบอย่างเดียวไม่เกิดปัญญามาหาหลวงพ่อบอกให้ช่วยแก้ให้หน่อยหลวงพ่อดูแล้วแก้ไม่ไหวถ้าแก้ไปนี่นะเสี่ยง คือแกอายุเยอะมากพวกที่ติดสมาธินานๆเนี่ยพอหลุดออกจากสมาธิเนี่ยนะจะฟุ้งซ่านมากกว่าคนปกติยิ่งติดสมาธิลึกเนี่ยยิ่งฟุ้งลึกฟุ้งแรงแติดมาตั้ง60 70ปีเลยเงี้นะโอ้แกหลุดออกมาเนี่ย น, นะฟุ้งแรงอายุก็มากไม่มีเวลาภาวนาเกิดตายไปในขณะที่ฟุ้งเนี่ยไปทุคติ ก็บอกให้แกรู้สึกให้ให้มันมีร่างกายไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวพอตายไปไปเป็นผุ่มมีร่างกายพอพระเมตไตรามาตรสรู้เขามาฟังทมเอาเขาแล้วกันต้องอย่างนั้นละไม่ทันเงั้นบางคนนะก็แก้ให้บางคนก็ไม่แก่ต้องปล่อยเหมือนกันด้วยความเมตตานะไม่ใช่อัมหิตนี่ถ้าพวกเราคนไหนติดสมาธิอยู่ อย่านึกว่าวิเศษมันไม่วิเศษเท่าไหร่หรอกทำไมกล้าพูดขนาดนั้หลวงพ่อเล่นสมาธิมานานเล่นสมาธิตั้งแต่เจ็ดขวบทำสมาธิชำนานอยู่22สปีที่ฝึกสมาธิอยู่ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยได้แต่ความสงบเมื่อก่อนเข้าใจผิดคิดว่านั่งสมาธิมากๆแล้วจะเกิดปัญญาคนละเรื่องกัน และไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายชนิดสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาก็มีสมาธิที่ทำความสงบอยู่เฉยๆก็มีสมาธิสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันสมาธิทำความสงบนั้นก็สามารถเข้าชาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้สมาธิที่ใช้เจริญปัญญาก็เข้าชาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้แต่อาการของสมาธินั้นไม่เหมือนกันสมาธิที่สงบเนี่ยจิตมันเคลื่อน เคลื่อนไปไหนเคลื่อนไปอยู่กับอารมณ์เชื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจดับกลายเป็นแสงจิตเคลื่อนไปอยู่ที่แสงมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นเข้าปฐมฌานแล้วเข้าลึกๆๆ ล, ล, ล, ลงไปจิตก็วางแสงจับไปที่ช่องว่างตอนนั้นร่างกายหายไปแนละ้วจิตไปสงบอยู่ที่ช่องว่าง ก็จิตออกนอกจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ช่องว่างเป็นอรูปที่หนึ่งอากาศ า, น, านใจยตนะถ้ามาสังเกตดีจิตมันเคลื่อนไปที่ช่องว่างเนี่ยยังเป็นภาระอยู่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่ช่องว่างแล้วก็จับอยู่ที่ตัวจิตนะย้อนกลับมันจับตัวรู้ทันทีที่ย้อนจับมากลับกลับมาจับตัวรู้เนี่ย ม, ม, นะมันจะเกิดตัวรู้ซ่อนตัวรู้ไปไม่มีที่สิ้นสุดที่เรียกว่าวิญญาณเป็นอ น, นันต แทนที่จะเพ่งอารมณ์คือความว่างก็มาเพ่งจิตแทนก็เป็นอรูปที่สองชื่อวิญ ญ, ญาณอัญจายตนะจิตเคลื่อนไปที่จิตแล้วก็ซ้อนซ้อนซ้อนไปด้วยอพอพาวนาไปก็จะเห็นว่าการที่จิตเคลื่อนไปอยู่ที่จิตก็ังเป็นภาระอีกก็ทิ้งจิตอีกงั้นคราวนี้ทิ้งอารมณ์คือช่องว่างทิ้งจิตเข้าสู่ความไม่เอาอะไรสักอย่างเรียกว่าอากิญจัญญายตนะ ไม่เอาอะไรสักอย่างก็คือไม่เอาไหนนั่นแหละอะไรอะไรก็ไม่เอาสักอย่างไอ้นอนก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาน้อยหนึ่งก็ไม่เอานิดหนึ่งก็ไม่เอาเป็นพารามหมดเลยเนี่ยจิตเคลื่อนทั้งหมดเลยจนถึงัานที่แปดจีก็ยังเคลื่อนอยู่เคลื่อนไปอยู่แทบจะหมดความรู้สึกตัวจีตนี้าไว้พักผ่อนเอาไวแ้แสดงอิทธิฤทธ ส่วนจิต ท, ที่ใช้เดินปัญญาเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตจิตไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนไปไม่เคลื่อนมาตรงนี้เราต้องรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนก็จะเกิดจิต ท, ที่ไม่เคลื่อนทุกคนลองจงใจจงใจเอาความรู้สึกนะของเราเนี่ยจับไปที่ผมของตัวเองส่งจิตไปอยู่ที่ผมให้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ผมลองดูซิทาได้ไหม จงใจให้จิตไปอยู่ที่ผมเอาเปลี่ยนใหม่เอามาอยู่ที่หูข้างขวาเปลี่ยนความรู้สึกมาไว้ที่หูข้างขวาเอาต่อไปเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนความรู้สึกไปอยู่ที่หัวแม่มือข้างซ้ายเอาเปลี่ยนไปอยู่ที่หัวแม่เท้าข ว, วา ทิ้งหัวแม้เท้าเปลี่ยนมาอยู่ที่ลมหายใจจับอยู่ที่ลมหายใจให้จิตไปเ ก, กาะที่ลมหายใจของดูซิรู้สึกสว่างขึ้นไหมเอาพอละลืมตาขึ้นหายใจงแรงยิ้มหวานเห็น ไ, ไหมพอยิ้มหวานเราหลุดออกมาละเมื่อกี้หลวงพ่อพาให้ดูจิตมันเคลื่อนที่ได้ เคลื่อนไปตั้งแต่หัวถึงเท้านะเคลื่อนไปเคลื่อนมาลองซ้อมดูซ้อมเพื่ออะไรไม่ได้ซ้อมเคลื่อนหรอกซ้อมเพื่อจะรู้ว่ามันเคลื่อนตอนนี้จิตไปอยู่ที่ผมก็รู้จิตไปอยู่ที่หูก็รู้จิตไปอยู่ที่มือก็รู้จิตไปอยู่ที่เท้าก็รู้จิตไปอยู่ที่ลมก็รู้หารู้เรื่อยๆไปแล้วไปจิตมันเคลื่อนไปที่ไหนเราก็รู้ทันมันจิตมันเคลื่อนไปคิดได้ด้วยนะหลวงพ่อจะหยุดพูดห้ามพวกเราคิดห้ามคิดนะอ้าวลองดู คิดไหมเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปคิดแค่รู้นะไม่ห้ามหรอกห้ามไม่ได้หรอกที่บอกว่าห้ามคิดห้ามคิดนะั่นเป็นแค่อุบายเพื่อให้พวกเราเห็นว่าห้ามไม่ได้หรอกบางคนก็คิดพุดโธพุดโธแล้วบอกตอนนี้ไม่คิด <c oughs> ะคะก็คิดพุดโธนะั่นแหละจิตนั้นมันเคลืล่อนตลอดเวลาเคลื่อนไปดู <c oughs> ก็ได้เคลื่อนไปฟังก็ได้เคลื่อนไปคิดก <c oughs> ็ได้เคลื่อนไปในร่างกายเราก็ได้เคลื่อนไปในรูปธรรมนามธรรมไปได้หมดเลย ที่ผ่านมานะั้นมันก็เคลื่อนตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นลองดูพระพุทธรูปองค์ใหญ่ดูที่ยอดท่านนะนับซิมีแฉกเล็กๆอยู่เท่าไหร่สังเกตไหมหจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่พระดูออกไหมจิตเราไปอยู่ที่พระเอาพอแล้วไม่ต้องนับจริงหรอกหลวงพ่อจะพาให้ดูว่าจิตมันไปอยู่ที่พระนี่เวลาเราดูจิตก็เคลื่อนนะ เวลาเราฟังก็เคลื่อนเวลาคิดจิตก็เคลื่อนก็วิ่งไปวิ่งมาตลอดจิตล่อนเร่ไปทางไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกโคจรเคยด้ว่าโคจรไหมโคจรราะว่ า, วาไปแบบวัวไปเรื่อยๆวัวตัวเนี้ยจิตเราเหมือนวัวนะเที่ยวไปเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่โคจรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหนีไปเที่ยวเรื่อยๆ Dante, cumin, bien, ถ้าเกิดมาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดตอนอยู่ในท้องก็เป็นอย่างนี้แหละแล้อเคลื่อนตลอดแต่ไม่เห็นต่อไปนี้ถ้าจิตเคลื่อนแล้วคอยรู้จิตเคลื่อนแล้วคอยรู้รู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆจะรู้ทันได้ก็ต้องไปซ้อมรู้ซ้อมรู้ก็ซ้อมอย่างที่หลวงพ่อผ่าซ้อมนี่แหละเอาจิตไปไว้ตรงโน้นเอาจิตไปไว้ตรงนี้เวลาดูก็รู้ทันว่าจิตไปดูเวลาฟังก็รู้ทันว่าจิตไปฟัง อย่างเวลาเราเห็นคนเขาคุยกันซุบซๆๆเราอยากรู้นะอยากฟังว่าได้ยินจะก็อย่าคุยอะไรอยากได้ยินเนี่ยเงี้ยหูฟังขณะนั้นจิตเราไปอยู่ที่การฟังนั่งอยู่ดีๆก็จิตก็ไหลไปคิดเนี่ยให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานี่บ่อยๆจนชำนาญต่อไปพอจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปับ๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บนะจิจะตั้งมั่นจิตจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เมจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ก็จะตั้งมั่นขึ้นมาได้ต้องฝึกนะซ้อมไปได้เราจะเกิดสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ได้ร่อนเร่ไปสมาธิที่ไปรู้ลมหายใจอย่างเงี้ยจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจ นี้ถ้าเราจะรู้ลมหายใจแล้วเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปอยู่กับลมหายใจก็จะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมาอี่าจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยแหละจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมาต้องฝึกนะอยู่ดีๆไม่เกิดหรอกถ้าจิตเราเคยล่อนเรยตลอดพอเราจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยเราถึงจะเดินปัญญาได้ถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเดินปัญญาไม่ได้มีกายลืมกายมีใจลืมใจ ค่อยๆฝึกไปค่อยๆดูซ้อมไปเรื่อยๆใจเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้จะได้สมาธิที่ดีขึ้นมานี่ถ้าเราพอวนาไปนะเจนได้โสดาสกตาคาอะไรอย่าเงี้ยสมาธิก็ยังไม่พอสมาธิสําหรับภูมิธรรมแต่ละชั้นเนี่ยไม่เท่ากันขั้นปุถุชนจะขึ้นเป็นโสดาเนี่ยแค่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนรู้ทันว่าจิตเคลื่อนในจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็เพียงพอไหวพอได้โสดาแล้วเนี่ย เมื่อที่จิตเคลื่อนแล้วก็รู้นะแต่มันก็ยังเคลื่อนนะมันออกจากฐานไปไม่เห็นว่าออกจากฐานเห็นหมดนะสภาวะอะไรเกิดเห็นหมดเลยแต่ว่าจิตออกไปเห็นไม่เห็นว่าจิตออกไปเห็นเนะนี่ยสมาธิไม่พอที่จะก้าวกระโดดสูงขึ้นไปอีกต้องฝึกสมาธิแต่ละชั้นแต่ละภูมิไม่เท่ากันหรอกนะเป็นพระมังคาแล้วเนี่ย สมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยสมบูรณ์เลยไม่เคลื่อนไปหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไม่เคลื่อนทางตาหูจมูกลิ้นกายเคลื่อนทางใจอันเดียวเคลื่อนทางใจอันเดียวแต่ไม่เคลื่อนทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราฝึกจนกระทั่งเราดูจิตควรอ่นเป็นนะเราอยากดูว่าคนนี้เป็นพระอราหันต์หรือเปล่านะไปแอบดูตอนเขานั่งสมาธิก็รู้ละ นังสมาธิแล้วจิตเคลื่อนฟื้นไปพลมมโลกแล้วก็ตายแล้วเธอเกิดอีกแน่นอนนะยังไ ม, ไม่จบหรอกนะถ้าเป็นพระอรหันต์แท้เนี่ยจิตไม่มีการไปไม่มีการมาในหลวงปู่ดูลสอนไวนะ้เคยถามหลวงปู่หลวงปู่ครับจิตอยู่ที่ไหนครับจิตไม่มีที่ตั้งจิตเดิมแท้ไม่มีการไปไม่มีการมาสอนอย่างนี้เห็นไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดจิตหนีไปคิดดูออกไหม แ ค, แค่รู้ทันนะอย่าไปห้ามมันมันเคยหนีมันก็หนีแหละห้ามมันไม่ได้แต่แค่รู้ทันมันในตําราบอกพระอนาคาเนี่ยสมาธิบริบูรณ์พระโสดาสมาธิเล็กน้อยตัวเนี้ยถ้าอ่านแบบปริยัติ น, ะนักปริยัติจะงงเลยทำไมพระนาคาสมาธิบริบูรณ์ พระนาคาบางองค์นัยังสู้ฤาษีไม่ได้เลยฤาษีเข้าฌานแปดได้ทั้งท่านที่เป็นปุถุชนะไม่บริบูรณ์กว่าเหรอหรือปุถุชนบางคนนะมีฤทธิ์มีเดชเข้าฌานได้ถึงฌานสี่อะไรเงี้ยพระโสดายังเข้าฌานสีไม่ได้เลยพระนาค า, า, า, า, าบางองค์ก็เข้าฌานสีไม่ได้ถ้าได้แต่ผสมไม่ฌา น, าานนะแล้วทำไมบอกพระนาคามีสมาธิบริบูรณ์สมาธิคนละตัว พวกเหลือสีชีพไรอะไรนะเขเข้าสมาธิชนิดที่จิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์แล้ได้หนะึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดส่วนชักทานาะคาสมาธิบริบูรณ์คือจิตมันไม่หลงไปในกามจิตมันไม่ร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเคลื่อนอยู่ทางใจอันเดียวนะถือว่าบริบูรณ์แล้วนะี่สมาธิมีหลายตัวนะพ ว, พวกที่ชอบเล่นสมาธิให้สังวรให้ดีสมาธิ ที่ฝึกกันส่วนใหญ่คือมิชฉาสมาธิหรืออย่างเก่งก็สมาธิสงบงั้นฝึกอย่างที่หลวงพ่อสอนนะทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตเคลื่อนเช่นพุโทโธพุโทโธจิตเคลื่อนไปรู้พุโทโธพุโทโธจิตเคลื่อนเรารู้หรือรู้ลมหายใจจิตเคลื่อนแล้วก็รู้นะเมื่อกี้ก็พาให้ดูว่าจิตเคลื่อนอยังไงละไปฝึกบ่อยๆจิตเคลื่อนเรารู้ได้สมาธิที่ถูกต้อง ที่สมาธิที่จิตอยู่กับตัวเองถัดจากนั้นก็ดูรูปนามแสดงไตรลักษณ์ดูรูปดูลงปัจจุบันขณะดูนามเป็นปัจจุบันสันตตินะสืบเนื่องกับปัจจุบันให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอานะฝึกอย่างนี้นะวันนี้เรียนปริยัติเท่านี้พอละเดี๋ยวไปฝึกเอาให้ส่งกินบ้านพวกอยู่วัดให้ส่งก่อนครับมัศการใช่ปะ เห็นจิตมันไหลอ่ะค่ะเออดีไหลวิทุกจิตมันไหลไปแล้วมันก็ไหลไหลไปก็ไม่สร้างภพสร้างชาติสร้างทุกไม่มีอะไรเนาะค่ะพระอาหาันต์จิตไม่ไหลก็ไม่ไม่ไหลแล้วไม่มีกิเลสดันให้ไหลก็ไม่ไปสร้างภพสร้างชาติไม่ไปสร้างทุก์สร้างภพสร้างสร้างภพก็คือไปทํางาน สร้างชาติก็ไปหยิบฉวยไปยึดถือเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาก็ทุกเห็นว่ามันทุกทุกมันไหลไปแล้วมันก็ทุกทำไม่ได้นะค่ะฝึกไปจนชำนาญนะถึงขั้นผ้านาคานี้ไม่ไหลนะค่ะแล้วปัญญาแทงทะลุลงไปว่าไม่ไหลก็ทุกค่ะไม่ใช่ไหลแล้วทุกนะค่ะมีจิตอยู่ก็ทุกเลยถ้าเห็นถึงตรงนี้แล้วหลุดเลยค่ะค่ฝึกเอาค่ะพอคุณได้แค่ไหนเอาแค่นั้นชาตินี้ไม่จบเพไปต่อ เรียนต่อต่อง่ายไม่ยากลนะยังไงแม่ชีมาตรการค่ะก็เห็นจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เหมือนกันค่ะโทสะ<ต>เยอะไหมคะโทสะอย่างเยอะอยู่ไหมก็มีค่ะเออคอยรู้เอาค่ะแล้วก็เวลา ห, ห, หูตาจมูกลิ้นกายใจกระทบเนี่ยบางครั้งจิตเป็นอกุศลแล้วใจมันบางครั้งมันไม่ค่อยเป็นกลางค่ะเออนั่นแหละเมื่อจิตเป็นอกุศล ร, รู้ว่าเป็นอกุศลได้ว่าเรารู้สภาวะละวนะ ถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางคไม่กลางก็รู้ว่าไม่กลางกลางมั่งไม่กลางมั่งถูกแล้วล่ะต้องอย่างนั้นนี่เป็นแม่ชีนะแต่ว่านุ่งดำนุ่งข้างล่างส้นดำเป็นแม่ชีนุ่ดแลทําไมหลวงพ่อไม่ให้แต่งขาวทั้งตัวนี๋มีปัญหาอีกเขามีสถาบันแม่ชีองเผูกยุ่งเราแต่งเราอย่างนี้แหละอยู่ที่ว่าถือศีลเอา ผู้หญิงอย่าไปบวชภิกษุณีนะไปบวชบวชไม่ได้เป็นไปไม่ได้แนละ้วถ้าบวชก็บวชมหายานไปเลยเป็นภิกษุณีมหายานอย่างนั้นก็ไม่เป็นไร ถ, ถูกต้อง่ถ้าบวชภิกษุณีจากมหายานมาบวชกับภิกษุเทระวาสมันผสมกันไม่ได้ข้ามสปีชี <laughs> ผสมกันไม่ได้นะ ไม่เป็นไม่เป็นภิกษุณีบางคนเดี๋ยวนี้นะเรียกร้องบอกว่าเป็นเสรีภาพในการนับถือศาสนานะเท่าเทียมกันมีเสรีภาพงั้นจะเป็นภิกษุณีก็ได้เป็นไม่ได้เสรีภาพในการนับถือศาสนาหมายถึงว่าอยากนับถือศาสนาอะไรก็นับถือไปสิไม่ห้ามหรอกอยากเป็นคริสต์ก็เป็นเป็นมุสลิมอะไรก็เป็นเป็นพุทธก็เป็นนั้นเรียกว่ามีเสรีภาพหรือจะไม่นับถือเลยก็มีเสรีภาพ แต่ว่าถ้าจะเป็นพุทธจะบวชเนี่ยเราไม่ได้บวชตามรัชธรรมนูญนะเราบวชตามธรรมวินยัยงั้นจะอ้างรัชธรรมนูญแล้วบอกบังคับให้บวชไม่ได้หรอกพระที่ดีๆนะท่านยอมตายท่านไม่บวชให้หรอกเพราะผิดถ้รทำวินยัยเราชอบออกความเห็นกนะันนะนี้่ด่าพระแหลกเลยว่าพระทําไมไม่ยอมให้บวชภิกษุณีก็มันไม่ถูก่啊 อย่างพวกเรามีเสรีภาพแนละ้วเราบอกพวกเรามีเสรีภาพเราจะทํามาหากินอะไรก็ได้อยู่ๆเราอยากแต่งเครื่องแบบทหา ร, ราแต่งได้ไหมล่ะทําได้ไหมหรือว่าอยู่ๆฉันอยากเป็นหมออยู่ๆก็เป็นหมอขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยเป็นได้ไหมแพทยสภายอมไหอแพทยสภาไม่ยอมแพทย์สภาขัดรัฐธรรมนูญเหรอนี่มั่วซั่วเลยนะชอบออกความเห็นกันแบบไม่รู้เรื่องรู้ราว พระก็บวดตามพระธรรมวินัยไม่ได้บวชตามรัฐธรรมนูนแต่ว่าพลเมืองนีมีสิทธิ์ไปบวชเพราะว่าอะไรพลเมืองถ้ามีคุณสมบัติครบก็บวชได้ดงนั้นเป็นแม่ชีไปได้และดีแล้วละ่ะการภาวนาไม่เกี่ยวกับการสมมุตินะพระอย่างนี้เรียกพระสมมุตินะเนี่ย นี่เขาอัดเทปไว้เดี๋ยวทำอย่างนี้เขาไม่เห็นเนะนี่ยหลวงพ่อเขย่าวีจีบอลเนี่ยพระเนี่ยพระสมมุตินะอย่างเนี้ย <c oughs> พระจริงเหรอหัวงอกหัวดำอะไรก็ได้พระจริงอะ่ะไม่มีเพศผู้หญิงก็เป็นพระผู้ชายก็เป็นพระนี่เป็นพระแท้พระโดยสมมุติก็ต้องรู้จักคำว่าสมมุติเราไม่ได้ปฏิเสธสมมุติด้วยนะ อย่างบางคนบอกไม่ยุดถืออะไรเห็นไฟแดงกูจะวิ่งเขาไม่ยุดถือปฏิเสธสมมุตินะที่แทงไฟแดงเขาสมมุติว่าให้หยุดก็ต้องหยุดสิหรือวิธีสมมุติว่าเป็นสงเขาเป็นยังไงเป็นพิกซุนีก็เป็นยงไงก็ต้องแบบนั้นอ่ะอย่ามั่วนะมั่วแล้วเพี้ยนเลยภาวนาไม่ขึ้นภาวนาไม่ได้หรอกจิตมืดหมดเลยอะว่ามามาสการครับ กีกำลังฟุ้งครับหลวงพ่อเออแล้วก็เอาที่หลวงพ่อแนะนําไปปฏิบัติครับก็รู้สึกจจริงจังน้อยลงแล้วครับแล้วก็ดันทุรังน้อยลงขึ้นแล้วครับเลยน้อยนะดันทุรังน้อยลงแล้วเอยดันทุรังเนี่ยไม่ดีรเรียกความดันสูงดันทุรังเนอะนานไม่ไหวครก็พยายามปรับอาวางใจให้ถูกขึ้นจริงจังน้อยลงแล้วครับ เราไม่ไม่โลภที่มันจริงจังมากมันเครียดโลภนะดูไปเรื่อยเรรู้สบายสบายทำเหตุให้พร้อมผลเป็นเองที่โลภเนี่ยอยากได้ผลพวกเราอยากบรรลุมักผลไหมแต่ขี้เกียจภาวนาใช่หยเนี่ยคล้ายๆจะเอาผลไม่เอาเหตุอนะอย่างเนี้ยเรียกว่าโลภถ้าขยันทำเหตุนะ ส่วนผลจะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเรื่องมีฉันทะเนี่ยไม่เหมือนกันนะถ้าโลภเนี่ยมันจะเอาผลมันไม่เอาเหตุถ้ามีฉันทะเนี่ยทําเหตุไม่คำหนึ่งถึงผลเอาผลมันมาเองเป็นผลพลอยได้ต้องอย่างนั้นถึงจะบรรลุนะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อนมัสการค่ะอหลวงพ่อให้หนูไปดูความเป็นกลางอเวลาจิตมันเศร้าหมองเมื่อมันไม่เห็นว่าเรามันไม่มีตัวค่ะ ทีนี้หนูก็ยังยังทาไม่ได้ค่ะหลวงพ่อดูไปเรื่อยๆอย่ารีบร้อนแต่ว่าไม่ไม่หยุดคต้องไม่รีบร้อนนะแต่ไม่หยุดนิ่ง mm hmm. พอณนาะทุกวันทําไป mm hmm. อาต่อไปอ ข, อขออีกนิดหนึ่งได้ไหมค mm hmm. ะได้คือหนูหนูชอบเป็นคนเซนซิทีฟค่ะหลวงพ่ อ, อ, มอมสมมติว่าฟังพระให้พรหรือว่าคิดเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หนูก็จะ ร้อ ง, องไม่เป็นไรมันมีปิติก็แค่รู้ถันว่ามีปิติไม่ต้องไปห้ามมันหรอก ก, ก็คืออันนี้คือเราไม่เป็นเรารู้ว่ามันปิติแต่ไม่เป็นกลางหรือไม่ใช่ปิติเกิดนะไม่เป็นไรนะเวลาภาวนาเนี่ยมีทำรรมาปิติได้นะปิติไม่ใช่เป็นศัตรูอะไรแต่ถ้าปิติแล้วมันครอบงําจิตตัวนี้ต่หากที่ไม่ดีค่ะโนรุกว่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะให้รู้ถันว่ามันครอบท่านั้นแหละ เดี๋ยมันก็ไม่ครอบพระอรหันยังมีปิติได้เลยอ๋อไม่ใช่พระอรหันไม่มีปิตินะแต่ว่าไม่ครอบไม่ครอบใจคือถ้าเกิดมันครอบแล้วหนูไปคิดว่าคือหนูจะกลายเป็นว่าเอ้ยอันนี้เราไปครอบแล้วหนี่ก็เลยจะเหมือนกับว่าหนูต้องถอดออกมาไม่เป็นไม่จมไปกลับมาอันนี้คือแทรกแซงใช่ไหมคแทรกแซงค่ะแทรกแซงค่ะโอเคขอบคุณค่ะ เรียนกับหลวงพ่อนะกระทั่งปีติครอบงามจิตหลวงพ่อก็ไม่ยอมนะไม่ยอมเพราะว่าถ้าโดนครอมไปไหนไม่รอดแนระ้วมัปลื้มอยู่งนะั้นน่ะเสียเวลาปลื้มอะไรนักหนานะเวลามีจํากัดกาหลวงพ่อคะ่ะจากวันแรกที่มาอยู่วัดหลวงพ่อบอกว่าโยมทําสมถะแล้วยมก็ไป นั่งทำอยู่ก็เห็นจิตที่ไหลออกไปอย่างนั้นเรียกว่าเป็นวิปัสนาไหมคะถ้าเห็นจิตไหลนี่ยังไม่เป็นวิปัสนานี่เป็นการเห็นสภาวะค่ะแล้วทำยังไงถึงจะถ้ามันปิ๊งขึ้นมาในใจมันลึกๆมันเห็นว่าจิตมันไหวได้เองเนี่ยเป็นวิปัสนาเห็นไหมเป็นอนัตตามันไหวได้เองมันไหลได้เองแต่ถ้าจ้องอยู่ที่จิตจิตไหลไปก็รู้กลับมาก็รู้อันนี้เป็นสมถะ นะไม่ไม่ไม่ได้จ้องอยู่ที่จิตหรอคกค่ะกําลังพุโทโธอยู่นะคะก็เห็นจิตไหลออกไปกนะ็ใช้ได้อย่างนั้นใช้ได้อ๋อค่ ะ, คะมันไหลเองมันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้นั่นแหละวิปัสนาเพราะนพุโทโธไปแล้วรู้ทันจิตไปนะทําเป็นนะก็คือวิปัสนาไปในตัวเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าโยมทําถู ก, ถกต้องเลยใช่ไหมคะค่ะขอบพระคุณค่ะวัดหลวงพ่อไม่ค่อยลําบากสบายสบายเกิน สบายเกินภาวนานะถ้าลำบากซะหน่อยหน่อยนะภานาดีอย่างภานาแล้วกลัวเสือมาเงี้ยนะพภาวนาดีรุ่นหลวงพ่อออกไปภาวนาวัดป่าเนี่ยไม่มีเสือแล้วมีแต่หมายังกลัวเลยหมาจิ้งจอกหมาในเรย่องนี้มาเป็นฝูงฝูงนะ่ากลัวนะมันกินหมดนะตัวอะไรต่ออะไรหิวขึ้นมามันก็กินคนได้เหมือนกันนะี่ย แต่ว่าเสือน่ะไม่มีแล้วเสือมันอยู่ที่ไหนอยู่ในสวนไม่อยู่ในป่าที่วันนี้ก็มีแต่งูมีงูเห่ามีงูสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยมีงูอยู่ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่บางคนอยู่ในกุฏิก็ไม่กลัวงูแต่งูก็เคยเข้ากุฏิเหมือนกันนะก็มีเหมือนกัน คนก็กลัวตุกแกตุกแกเยอะที่นี้ใครกลัวตุกแกบ้างที่นี่มีเป็นร้อยเลยแต่ตัวไม่โตเท่าไหร่ตัวไม่โตมากเคยเห็นบางตัวใหญ่อย่างนี้นะตัวใหญ่ตัวอ้วนอย่างเงี้ยงั้นตัวหนึ่งคงเป็นล้านน่ะแพงที่นี่ไม่โตเท่าไหร่อ้วนๆแค่นี้ยาวสักแค่นี้สีสันสวย สีเทาๆฟ้าๆมีจุดแดงๆเรื่อมๆสวยมากเลยตาก็ใสเหลืองๆ เ, เป็นแฉกๆลองไปสบตาเขาสิ mm. ถ้าเมื่อไหร่ใจรู้สึกสงสารนะเมื่อนั้นจะหมดกลัวเลยจะเลิกกลัวเลยเพราอะอไรเพราะว่าความเมตตามันเข้ามาแทนโทส ะ, ะความเมตตาความกรุณาเข้ามาแทนที่โทสะ อย่างถ้าเรากลัวตุกแกนะเกลียดตุกแกอะไรเนี่ยเราเห็นว่าตุกแกน่าสงสารนะปุ๊บเดี๋ยวหายทันทีเลยจะไม่กลัวอีกละความกรุณานะก็ไปแทนโทสะได้โทสะไปแทนกรุณาก็ได้นะกิเลสกุศลเนี่ยพลิกไปพลิกมาบังคับไม่ได้หรอกที่น่ากลัวออย่างของวัด น, นี้คือคำร่ำลือว่าผีดุเห็นไหมมีคำว่าคำร่าลือ พวกกลัวผีมันก็เจอจิ้งจกตูกแกมก็ว่าผีหมดอ่ะตู้แกเวลามันจับมแมลงนะมันจะโขกข้างฝาปักปักปัเหมือนคนเคาะคนมาเคาะประตูออกมาแล้วก็ไม่เห็นมีใครสักคนอย่างงี้ว่าผีหลอกพวกเราไม่เคยอยู่ที่มืดมืดอยู่ในป่าอยู่อะไรเงี้ยมืดมืดไม่เคยอยู่กับแสงสีก็กลัวผีกลัวความมืดนะ มาอยู่วัดก็เปิดไฟไว้ในกุฏิเขาเปิดไฟไว้แล้วอะไรจะตามมามาแรงจะตามมามลงมาอยู่ที่มุ้งรวดแล้วอะไรจะตามมาแรงมาตุกแกจริงจบตุกแกแลอะไรโทษว่าผีมาเคาะจริงตัวเองเปิดไฟไว้ปิดซะมันก็ไม่มามันเหมือนกับภาวนานแล้วมันก็ เห็นว่าทั้งความพอใจค ะ, ะแล้วก็ไม่พอใจมันก็บีบคันค่ะบีบคันความสุขก็บีบคันนะเมื่อก่อนเราภาวนาไม่เป็นแล้วก็อยากได้ความสุขพอต่อมาภาวนาชำนาญขึ้นนะความสุขก็เป็นเครื่องบีบคันนะสังขารทั้งหลายเนี่ยเครื่องบีบคันทั้งสิ้นเลยความดีก็บีบคันความชั่วก็บีบคันความสุขความทุกข์ก็บีบคันทั้งหมดเลย ก็ต้องฝึกจนกระทั่งใจเป็นอิสระต่อสิ่งทั้งปวงใจมันจะเป็นอิสระเมื่อมันมีปัญญาเกิดขึ้นตอนนี้ปัญญาเนี่ยเราสั่งให้เกิดไม่ได้แต่ค่อยๆสะสมไปพาจิตเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปเรื่อยดูไปเรื่อยเจริญไปบางวันก็แพ้กิเลสเป็นเรื่องธรรมดากิเลสมันชนะมาตลอดเราชกชนะมันบ้างเป็นครั่งคราวก็เก่งแล้ว ยิ่งนานวันไปกนะิเลยก็อ่อนกาลังลงกุศลก็กาลังกล้าขึ้นแต่ไปก็กลับข้างกันจิตมันเคยชินที่จะเป็นกุศลมันก็เป็นกุศลนะมันไม่เป็นอกุศลแนละ้วจิตมันไปตามความเคยชินมันล้างความเคยชินเก่าๆไปความเคยชินฝ่ายชั่วเรียกว่าอนุแล้วค่อยๆหมดไปเรื่อยๆพออนุัยหมดไปเนะี่ยราคาโทสะโมหมจะไม่มามันมาได้เพราะมันมีอนุัย แล้วถ้ามันมอนุสัยแล้วเกิดราคาโทสาโมหะขึ้นมาอนุสัยยิ่งมีกำลังมากขึ้นความเคยชินฝ่ายดีเรียกว่าบารมีบารมีทีแรกก็ไม่ค่อยมีมีน้อยหน่อยค่อยฝึกมากๆก็มกีมากขึ้นมากขึ้นบารมีมันเป็นความคุ้นเคยฝ่ายดียิ่งคุ้นเคยมากนะทำชั่วไม่ได้ กับนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ส่งการบ้านหนแรกนะคะมาปฏิบัติปีที่แล้วค่ะก็ก็ก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือเมื่อก่อนเต็งเวลาขับรถอย่างเวลาขึ้นทางด่วนหรือลงเนี้ยจะจะบางทีจะใจลอยแล้วก็ลงผิดอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นโอน่ากลัวนะลงผิดอาจะกลับขึ้นได้อีกเนี่ยก็อย่างปีที่แล้วหลังจากกลับที่ที่มาปฏิบัติกลับไปเนี่ยค่ะก็ก็ ก็ยังลงทางด่วนผิดค่ะตอนนี้ดีขึ้นค่ ะ, คะแล้วก็ อ, อ, อย่างเรื่องเรื่องโกรธอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะรู้ตัวเร็วขึ้นจากเมื่อก่อนบางทีแบบวีนไปแล้วถึงจะรู้ว่าโกรธดีค่ะนี่งั้นสีเราก็ดีขึ้นนะถ้า<ะ>เรารู้ท่ันกิเลสได้เร็วขึ้นสีมันก็ดีขึ้นใจก็มีสมาธิได้เยอะขึ้นอยู่กันเนื้อกับตัวหลงแล้วก็รู้ไม่หลงยาวก็สมาธิมันก็จะดีขึ้น แต่ก็ยัง เ, เรียนถามหลวงพ่อว่าอย่างบางทีเวลาสวดมนต์นะฮะบางทีรู้สึกใจชอบคิดไปเรื่องอื่นอย่างเงี้ยต้องต้องแก้ยังไงอะคะถ้าจะไม่ให้มันไหลไปที่เรื่องอื่นก็สวดให้มันมีเสียงสวดออกเสียงสวดออกเสียงเช่เหรือบางทีคุ ย, ค, ยคุยกับคนอื่นหรือคุยกับเพื่อนบางทีใจเราก็คิดไปเรื่องอื่นไม่ได้ฟังที่เราพูดไม่ได้หรอกเขาคุยเรื่องที่เราไม่สนใจขอบพระคุณค่ะ หลวงพ่อนะโดยพื้นฐานนะเป็นพวกโทสะจจริตใจร้อนอะไรที่ยืดเยื้อเนี่ยทนไม่ไหวยกเว้นเรื่องภาวนาอย่างเดียวนะภาวนายืดเยื้อเนี่ยทนได้เป็นคนที่ทนมากเลยทนในการฝึกตัวเองทำสิ่งที่ซ้ำซากได้ทีหนึ่งต่อกันเป็น1ิปีก็ทำนะไม่เลิกหรอกครูบาอาจารย์บอกให้ทำานาปนสติทำยี่ิบ2ปีทาอยู่ยงั้นไม่เลิกเลย ทูว่นนี้ยังทำอยู่นะหลวงปูดูลสอนให้ดูจิตจะดูไม่เลิกเลยท่านไม่ต้องมาสั่งซ้ำแนละ้วว่าขยันดูหน่อยนะได้โปรดเถอะไม่มีห <c oughs> ลวงปูดูลนะถ้าเราให้ท่านให้กันบ้านเนี่ยท่านไม่ให้พร่าเพรือร่อหรอกถ้าท่านเห็นว่าไม่ทำนะท่านไม่ให้ถ้าท่านให้ก็คือท่านแน่ใจว่าจะทำแล้วก็ให้แต่ให้หน่อยเดียวให้นิดเดียวเราไปทามานะ แลท่านให้ต่อให้เป็นช็อตๆหลวงพ่อรู้ว่านิสัยคนรุ่นเราทำไม่ได้หลวงพ่อเลยให้ภาพรวมเธอเอาแผนที่ไปคนละฉบับไปไปเรีย น, นรักดีก็ภ า, าวนาไปรักชั่วก็ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้ามีอีกหลายองค <c oughs> ์ว่ามากราบนมัสการหลวงพ่อครับเป็นไงเดี๋ยวนี้เห็นกิเลสอะไรบ่อยบ้าง um. ก็เห็นไปเรื่อยเออตัวไหนเด่นอ่ะตัวไหนช่วงช่วงนี้มันโมหะมันเยอะเออโมหะเพราะเวลานั่งภาวนาจะหลับตลอดเลยห้ามมันไม่ได้หรอกหลวงพ่อก็เคยเป็นขนาดนั่งขัดสมาธิเพชรนะเจ็บนะยังหลับเลยมีช่วงหนึ่งนะเดินจงกรมยังหลับเลยเดินชนฝาเลยห้ามมันไม่ได้หรอกมีมันมา มันมันต้องผจน่ะหน้าที่ของมันอย่าไปว่ามันมันเสียสละสูงนะพวกมันอ่ะมันมาฝึกให้เราแข็งแกร่งโดยที่มันยอมตกนรกอ่ะต้องต้องเปลี่ยนกรรมฐานที่ทำในรูปแบบไหมครับเพราะว่าหลับเยอะเลยกดูกระดิกเขาเขยังหลับแน่รับก็ดูกระดิกพักคนนั้นพุทพุทไปไม่เป็นไรหลับเพราะหลับรู้สึกขึ้นมาก็ทาต่อ อย่าไปกลุ้มใจให้เป็นกลางไว้ตรงที่ภาวนาแหลับมีหลายแบบนะโดนมารมันครอบให้ซึมก็ได้อีกงานหนึ่งจิตเองอะ่ะเมื่อมันเดินปัญญาไปถึงจุดหนึ่งนะมันเกิด น, นิพพิทาจิตมันเบื่อโลกธาตุเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะจิตจะหลบเข้าพักถ้าเราไม่ยอมพักนะจิตจะหลบด้วยการเข้าหลับถ้าเราไม่เข้าฌานนะจิตจะห น, นีเข้าไปหลับข้ามมันไม่ได้หรอก นเป็นของมันอย่างนั้นแหละนี่เราก็ดูด้วยใจที่เป็นกลางก็ทำนี้ไปเรื่อยๆก่อนทำไม่เลิกครับหลับก็ทำนี่นต้องอย่างนี้นะอย่าไปกังวลครับ ม, มานั้นเสียสละสูงมานผู้น่าสงสารมานผู้ตกเป็นเหยื่อมานมานันตกเป็นเหยื่อใครรู้ไหมตกเป็นเหยื่อกิเลสมนัน มันน่าสงสารจริงๆเลยอย่างบางคนนะมันเป็นมนุษย์ก็มีนะมันเล่นคุณใสเล่นอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้โดนหลอกโดนหลอกนะเพราะว่าเล่นเล่นไปตกนรกนะอยากอยากเก่งอยากอะไรเงี้ยอันตรายมากเลยครูบาอาจารย์ย่งหลวงปู่ดูท่านก็บอกนตกนรกท่านเก่งๆท่านเห็นท่านรู้นี่ถ้าเขาแกล้งเอาก็าอย่าไปตกใจเขาเสียสละ เพื่อฝึกปรือให้เรามีสติมีกำลังใจเลยครับต้องมีสิฟังธรรมะมันต้องได้กำลังใจตอนก่อนเม่เจหลวงพ่อยังเซ็งๆอยู่เนี่ยธรรมะฟังแล้วมันต้องคึกคักกล้ า, าเริงลักษณะธรรมะของพุทธเจ้านะเปิดเผยสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็นสอนวิธีปฏิบัติให้พอรู้วิธีปฏิบัติแล้วนะมีปัญหาก็แก่นะ ก็ปลุกใจให้ร่าเริงในการปฏิบัติฟังธรรมะแล้วต้องคึกคักแต่ไม่ได้คึกคักอย่างโลกโลกเขาเวลามานแกล้งอย่าตกใจมานแกล้งเนี่ยเป็นการใช้จิตแกล้งเข้ามาที่จิตแต่บางทีมันทําให้รู้สึกทางกายอย่างวิงทีรู้สึกเหมือนถูกทิ่มตรงโ น, น้นทิ่มตรงนี้นะอย่าตกใจ ถ้าตกใจหรือโกรธนะ่ยยิ่งเสียท่าเลยรักษาจิตของเราไว้อันเดียวมานโจมตีที่จิตต่างหากมานมีทั้งภายในมานภายนอกนะมานภายในก็คือกิเลสนะั้นมันโจมตีจิตเราจนมานภายนอกมอนส่งพลังจิตเข้ามาโจมตีจิตเราทำให้เรารู้สึกอย่าง น, น้้นรู้สึกอย่างนี้นะทำให้กิเลสรุนแรงขึ้นบ้างอะไรบ้างทำให้เจ็บตรงนัง้นตรงนี้บ้าง ให้มีสติคุ้มครองรักษาจิตไว้อย่างตกใจตกใจรู้ว่าตกใจกลัวรู้ว่ากลัวเข้าไปเลยไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบรู้เข้าไปจงๆอย่างนี้นะถ้าเรามีสติคุ้มครองจิตนะเรนไม่ตกเป็นเดื่อของมารพอเราเห็นสภาวะเช่นแจมตกใจเรารู้นะความตกใจขาดไปจิตเป็นกลางรู้จิตอย่างสบายๆ ส, สมาธิเกิด สมาธิเกิดปุ๊บพลังของจิตจะเกิดแล้วมันจะตัดการเชื่อมวงจรที่ต่อกับมารภายนอกวงจรของพลังภายนอกก็ขาดออกไปเลยไม่ต้องนั่งแก้ทีละจุดรักษาที่จิตอันเดียวนี่เองพอจิตเกิดสมาธิขึ้นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ว่าจะอยู่ตั้งแต่หัวถึงเท้านะก็จะหายไปทันทีเลยมันหายไปเลย ยิ่งกลัวยิ่งตกใจยิ่งอะไรนะยิ่งโมโหนะเสร็จว่กิเลสมันครอบจิตเรากิเลสมันก็มานนะั่นแหละมันมานข้างในมันยิ่งดึงดูดมานข้างนอกเข้ามาอีกมี <cents. S 2> แต่มานข้างนอกข้างในไม่มีมานมานเชื่อมต่อไม่ได้คือรับมันอยู่ตรงนี้แหละกราบนมัสการเจ้าคะ่ะก็กรู้สึกว่าละเลงขึ้นแต่ก็ขี้โมโหขึ้นเจ้าคะ่ะขี้โมโหไม่เป็นไร ชืี้โมโหเรารู้ว่าโมโหค่ะโทสะแทกตลอดเลยเจ้าค่ะขนาดหลวงพ่อบอกให้มองยอดพระพุทธรูปมองออกไปปุ๊บก็บอกไม่อยากนับอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วเราก็กลับเข้ามาไม่ทราบว่าอย่างนี้นี่เขาดึงจงใจดึงหรือเปล่าเจ้าค่ะถ้าจงใจดึงมันจะแน่นมันจะแน่นแเห็นไหมว่าจิตมันเป็นไปได้เองค่ะก็พยายามดูอนัตตาเพราะตัวเองเป็นโทสะมากมากนั่นแหละดูอนัตตาไว้มันเป็นไปเอง โทรศัพท์ก็ขึ้นได้เองเห็นไหมเจ้าค่ะเคลื่อนไหวมันก็เคลื่อนไหวของมันเองดูอย่างนั้นเรื่อยๆแต่มันแพ้กิเลสโลภะที่ชอบชอบกินอยู่เรื่อยเจ้าค่ะเราทีนี้เราจะยอมมันดีหรือว่าไม่มีกินก็กินไปยังพร้อมอยู่ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะชอบคำตอบนี้มากเลยเจ้าค่ะ <c oughs> แต่แต่ว่ารู้สึกว่าบางจุดก็รู้สึกว่าแย่ลงคือเหมือนว่าบางทีหลงนานแต่ว่ามีเรื่องต้องไปแก้ปัญหาให้คุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเจ้าค่ะมีปัญหาก็ต้องไปแก้เอาเจ้าค่ะจะมามีปัญหาพ่อแม่ลําบากแล้วเราอุเบกขาเพราไม่ถูกนะคือมันเหมือนจะมีโทรศัเวลาต้องออกไปคิดนะคะเดี๋ยวนี้ยเหมือนไม่อยากออกไปคิดนะคะไอ้นั่นเป็นของเดิมอ๋อเป็นผลจากการติดสมถะค่ะ ก็รู้ไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้นะเจ้าค่ะมือนก็เปลี่ยนของเราไปเองแหละค่ะค<อ>่ะขอบคุณเจ้าค่ะกร า, าบน้มัสการครับอืมดีคื อ, อส่งการบ้านในรอบหลายเดือนครับผมสังเกตไหม ใ, หใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับนะรู้สึกไม่โลคมันห่างออกไปรู้สึกมไม่โลคมันจืดขึ้น ครับได้ค่อยๆฝึกนะร่างกายมันก็แยกออกไปความรู้สึกมันก็แยกออกไปใจเราก็เห็นนะใจมันทํางานได้เองเคลื่นไหวเปลีป่ยนแปลงตลอดเวลาการดูสภาวะที่ผมรู้าการเกิดดับนี่ถูกรู้ถูกแล้วไปดูได้ได้ๆ ข, ขันมันแยกก็เห็นมันเกิดดับไม่ได้เจตนาจะเห็นมันก็เห็นเอง เห็นมากเข้ามาเข้าจิตมันก็เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือเกิดสมาธิธิฐขึ้นแต่จิตมีสมาธิฐนะจิตก็ปล่อยวางสิ่งทั้งหลายออกไปโลกมันห่างออกไปห่างออกไปโลกไม่มีสาระแต่เราต้องอยู่กับมันนะเป็นมิบากที่เราต้องเจออย่างนี้สู้ไปดีคือแล้วละ่ะครับผม ขอถวายการปฏิบัติเป็นพุทธาูชาออนะธรรมาปชาสังฆาปุชาแล้วก็ อ, อริยญาณปุชาแล้วก็ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อปัมโมด้นะครับออสาธุนะดีการให้ส่วนบุญนะเป็นบุญนะขยายบุญของเราให้กว้างขึ้นบางคนไม่อยากให้ส่วนบุญคนอื่นกลัวบุญจะลดลงใครรู้สึกอย่างนั้นบ้างไม่อยากให้บุญคนอื่นกลัวบุญเราจะหายไปใครรู้สึกยกมือสิถามจริงจิงอ่ะ ไม่รู้สึกเลยเหรอมีไหมใช่ไหมไม่มียกมือให้ดูหน่อยสิหลวงพ่ออยากดูจริงหรอที่เหลือบางทีอุทิศส่วนบุญหลบกลัวบุญเราหมดเะรอนะบุญไม่หมดหรอกบุญมันเหมือนเหมือนเราจุดเทียนไว้เล่มหนึ่งนะถ้ามีไฟอยู่ดวงหนึ่งก็ไฟดวงนี้มีคนมาขอต่อเข้า เ, าเทียนของเขามาต่อไป ไฟของเราไม่ลดลงแต่แสงสว่างในภาพรวมเพิ่มขึ้นงั้นเวลาเราทำดีทำบุญทำอะไรเนี่ยชวนเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันทำได้บุญเยอะกว่านะพระสารีบุตรท่านเคยสอนบอกบางคนนะทำบุญด้วยตัวเองด้วยชักชวนคนอื่นเขาร่วมกันทำด้วยจะมีผลมีภพขัพย์ด้วยมีบริวารบริวารไม่ได้แปลว่าลูกน้องนะอย่างเรากลายเป็นบริวารคนอื่นบริวารว่าคนรอ บ, รอบ คนรับตัวมีเพื่อนอ่ะบางคนทําบุญแต่ไม่บอกใครเลยนะซ่อนๆใจแคบกลัวคนอื่นมาพวกนี้มีภพขัพนสัแต่ไม่มีเพื่อนบางคนทําบุญนะไม่ไม่ทําเองะชวยคนอื่นทําพวกนี้มีเพื่อนแต่ไม่มีภพขัพย้นสับภาษาริบุตรท่านบอกนะมีเพื่อนแต่ไม่มีภพขัพย์พวกเราบางคนก็แปลนนะ บางคนตัวเองก็ไม่ทําคนอื่นทํำก็กว่างไม่มีเพื่อนด้วยนะไม่มีพวกข้าศ์ด้วยเนี่ยคนมีไหลเป็นพวกนะงั้นอย่างเราทําความดีเราไม่จำเป็นต้องไปชวนเข้ามา ท, ทําทีเดียวก็ได้นะเราแค่บอกให้เขานุมโมทนานะเนี่ยเผื่อแผ่บุญออกไปเราก็ได้เพื่อนนะเอาความดีขยายออกไปเรื่อยๆดีทั้งนั้นแหละจะได้มีเพื่อนบ้างบางคนไม่มีเพื่อนเลยนักศาลเล่าว่างไง กราบน้ ำ, นำส ก, การหลวงพ่อคะ่ะต้องกราบขออภัยที่เพิ่งจะส่งกันบ้านคือตอนแรกจะไว้ดูเองแต่ตอ น, นี้มันเป็นเวลาเกือบเดือนแล้วคะ่ะคือมันขึ้นมันร็วๆทุกวันค่ะเออห้ามไม่ได้หรอกแล้วก็นี่นแหละดีค่ะ <c oughs> ตอ น, นี้อยากจะให้หลวงพ่อแนะนํา <c oughs> ที่จะเมื่อเวลามันขึ้นเร็วๆเราเห็นนะ้ํราจะไปเพเห็นแต่ทุกนะ <c oughs> ทั้งวันทั้งคืนขึ้นตลอดก็คือทุกตลอดเลยนี่ถ้าเราเหนื่อยเนะี่ย เราทําสมถะสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้นะตัวนี้แหละตัวสําคัญขึ้นเป็นเรี้ยวๆเๆๆนาะทุกวันเะครับขึ้นทั้งวันเลยซ้ำไปไม่ขึ้นทุกวันตัวพ่อเคยเจอขึ้นทั้งวันทั้งคืนนะโอ้ยเป็นเดือนแล้วไม่ขาดเลยไม่ขาดสายนะหลับอยู่ก็เห็นนะโอ้ทุกข์มากเลยไม่มีอะไรทุกข์อย่างนั้นเลยเคยเห็นปราก็ว่าต้องใช้สมถะก็ะทําอานาพนสติมา หายใจเข้าหายใจออกเลยยี่สิบปดคราวจิตรวมปุ๊บเลยทำไมต้องยี่แปดก็มันนับได้ยี่แปดพอดีไม่มีเหตุผลหรอกไม่ใช่ให้หวยนะใครซื้อขอให้เจ๊งแล้ก็สภาวะที่ว่าอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เห็นจะจับนี่แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไหววับวับ ว, บวบนี่แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปล่ะ การภาวนาพอถึงขั้นละเอียดนะั้นเหลือยิบยับยิบยับเท่านี้เองไม่มีอะไรหรอกให้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอคะใช่แต่พอเหนื่อยแล้วทําสมทนะที่พักเหลือที่เดียวนะั่นคือสมทะสมทาทําอะไรมากไม่เป็นอพ็พุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ดูตัวนี้ชั่วคราวนะทําความสงบเป็นช่วงๆมีแรงแล้วกลับไปดูอีก ขอถาวายเป็นพุทธบูชาและอริยบูชาใ่หลวงพ่อด้วยค่ะสาธุชอบชอบอย่างนี้ชอบเอากลับบ้านไป